มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาสัตตมวักที่ค่าอัธิกะปัญหาที่สิบสองถามว่ากระดูกยาวถึงร้อยมีจริงหรือมีอยู่ที่ไหนราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินธรณีมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาขาเสนาะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้ า, าเกษนผู้เจริญคำกล่าวว่ากระดูกยาวร้อยโยตแต่ต้นไม้นี้ยาวได้ร้อยโยตมีอยู่โยมจะถามพระผู้เป็นเจ้ากระดูกยาวร้อยโยตมีอยู่ที่ไหนพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาไปก่อนพระหน้ า, าเกษนถวายพระพรว่ามหาราชดูกระบ่อพิษพระราชสมผาน มหาบาพิษทรงรับพึงการสำคัญอย่างไรนี่แนะ่อัตมาจะถวายพระพรให้ทรงทราบเหมือนปลาในมหาสมุทรนั้นปัญจะยูชนะสติกาตัวยาวห้าร้อยโยชนั้นกระดูกจะยาวไม่ได้ร้อยโยธหรือประการใดบอพิษจงเข้าพระไทยด้วยประการชนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระไทยสิ้นสงสยัยโสมนัสตรัสว่า กันโลสิสทุสะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรแล้วทีฆะอัธิกะปัญหาเป็นคำรบสิบสองจบเท่านี้